มันจังเป็นีนเลยทนี่แหละมนุษยม์มนุษย์มักง่ายมนุษย์ประมาทมนุษย์ลืมตัวลืมตัวลืมเป็นลืมตายนึกถึงพราแต่ตอนตายแล้วมั้งคนเห็นแก่ตัวมันทับหัวงอหัวไปขึ้นหัวใจน่ล่ะ ความเห็นแก่ตัวมันทับอยู่นั่นแหละสิ่งที่พาให้เห็นแก่ตัวคืออะไรคืเลียดตันหาความโลภไม่อิ่มไม่พอไม่รู้จดพอมีใครมาขัดมาค้องมาขาก็โกรธเครียดแค้นเอาเป็นเอาตายฆ่าแกงกันได้หัวใจมนุษย์มันเป็นพลังที่เป็นโทษพลังของกิเลสนะี่ยมันเป็นโทษ กับมนุษย์กับสัตว์กับโลกทำให้โลกนี้ประไลกันได้อำนาจของความความโลภความโกรธทั้งสองอย่างนั้นก็คือลูกน้องของความหลงอ่ะละหลงก็คือไม่ลืมหูลืมตาไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวเหมือนคนหลงทิพหลงทิศนั่นแหละ เหมือนกับคนหลงทิศไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ต้นไม่รู้ปลายไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้มีความอยากมากๆในหัวใจก็เรียกร้องเอาตามความต้องการอาศัยระบบอาศัยระเบียบมาเป็นกรอบมาบทมาบางัง พที่จะขับตอนให้เข้ากับระเบียบระบบระเบียบของเจ้าของสิ่งที่ถูกระเบียบเป็นเหตุนำสินนำทรมันเป็นน้ำฉลมหัวใจให้เย็นชุ่มเย็นเอาไปฉลมหัวใจไม่ยอมไม่ยอมรับไม่ยอมรับเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นโทษกับโรก เคิมาประสบพบเห็นพระพุทธศาสนาได้ยินเสียงอัดเสียง ร, รมเมินเฉยไม่สำนึกไม่รู้สึกตัวปล่อยให้หลุดมาหลุดมือไปไม่เห็นโทษไม่เห็นโทษของอำนาจฝ่ายตํำที่มันอยู่ในหัวใจที่มันดิ้นออกมาทะลักออกมานั่น ถือแล้วือตัวถือทิฏฐิถือมานะทิฏฐิมานะในหัวใจของคนถ้าจะเทียบไปเหมือนลมลอยทุป่องตุป่องเหมือนลูกโป่งอ่ะพอไปรับไปปล่อยแฟบไม่มีอะไรมีแต่ลมทิฏฐิมานะก็คือมายาของกิเลสนั่นแหละมันมีตัวมีตนที่ไหน มันสวมรอยสวมพลังเข้าไปถึงหัใวใหญ่เราดูดิทําให้พองตัวเฉยเฉยไม่มีอะไรเมือนก็ลมทําให้โป่งมันพองอะนะไม่มีอะไรเวลาเขาปล่อยก็แฟบไม่มีอะไรเวลานั้นคือหูใหญ่ละเกินใหญ่ละเกินลอยเด่นละเกินเด่นละเกินเวลาปล่อยไป ม, ยมีแต่ลมแฟบไม่มีอะไร ความสุขในหัวใจก็ไม่มีสุขก็สุขด้วยอำนาจอํานาจของความเพลินนี่แหละเพลินแหลงนี่แหละหลงยึดหลงถือหลงยึดหลงถือหลงโลภอยากได้โลภอยากมีโลภอยากชนะโลภอยากเป็น ไม่จบง่ายลเลพวกเรากอปล่อยมัน้ปล่อยไม่ได้เพราะวิทยุเป็นวิทยุหลวงตาหลวงตาท่านล่วงไปแล้วเป็นมรดกของสงฆ์เป็นสมบัติของสงฆ์พวกเราเป็นลูกสงฆ์ต้องช่วยดูแลกันสมบัติของสงฆ์สมบัติของพระ เวลาล่วงท่านล่งวงไปแล้วเนี่ยกลายเป็นสมบัติของสง์โดยชอบตามพระธรรมวินัยเป็นสมบัติของสงฆ์กฎหมายสงฆ์ก็มีกฎหมายคือสิ่งมันหยัดขึ้นกฎหมายใดก็ตามขัดกับหลักของศีลองธรรมก็เดือดร้อน แม่บทของกฎหมายก็มาจากสินมาจากธรรมนั่นแหละเพราะสินธรรมเป็นหลักปกครองความสงบความร่มเย็นคือสินธรรมหลักองศ์ลของค์งธ ร, รรมกฎหมายคือกฎระเบียบของมนุษย์ต่างขึ้นแต่งขึ้นบัญญัติขึ้ น, ญญนเพื่อที่จะไปทํากรอบกันคนมีกิเลนลั่นแหละ ไปกันยังไงอยู่อะการช่องนั้นก็ออกช่องนี้การช่องนี้มันก็ออกช่องนั้นการช่องนั้นมันก็ออกช่องนี้ยิ่งตังกฎหมายยิง่งบัญญัติกฎหมายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องขยายเรือนจําให้มากเท่านั้นเพราะอะไรเพราะคนมันไม่กลัวมันลวงละเมิดมันไม่มีเรือจนจ ำ, ออจำจะคำเรือนจําจะขังไงไม่มี ถ้าพูดถึงฆ่าค่าค่าค่ า, าจนหมดแผ่นดินเพื่อที่จะให้เขาอยู่ในในกรอบ ม, มันไม่อยู่มันไม่อยู่คนมันไม่กลัวสิ่งที่พาไม่กลัวมีกิเลสอ่ะมันกลัวที่ไหนฟังดูแต่ว่าพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเนี่ยท่านปกครองด้วยศีลห้าคิดดูสิไม่ฆ่าสัตว์สัตว์ไม่หลักสัตไม่รบ ก, กุศล ผ, ผิดในกรรม ไม่พูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดคอยเจอือไม่ดื่มสุราไป่อะไรปกครองบ้านเมืองไม่สิหนห้างรื่อ น, นี้เป็นโทษโดยตรงฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นโทษใครมีกําลังมากก็ฆ่าคนมีกําลังน้อยมีความรู้มีความฉลาดมากก็ฆ่าคนมีความฉลาดมากเหมือนกันเนี่ ช่วยเอาตามโอกาสช่วยเอาอะสิ่งปลักดันคือความเครียดในหัวใจความโกรธมันไม่ยอมเรามาดูหัวใจของคนมันออกช่องแต่ละช่องแต่ละช่องนั้นนั่นแหละนั่นแหละคือพิษสงของตันหาแหละนั่นมันออกแต่ละช่องแต่ละช่องจะไปบัญญัติช่องอยังไงมันจะหมดมันไม่หมด ก็ที่จะไปกันไม่ให้คนมันออกหลอดช่องหลอดช่องนั้นหลอดช่องนี้ฟังแต่ว่านั้นตันหามันมากกว่าน้ําในมหาสมุทรอ่ะฟังเลยนาทิตันหาสมานาทีแม่น้ําเสมอด้วยตันหาไม่มีตันหาในหัวใจของคนมันมากกว่านั้นอีกดูมันแสดงออกแต่ละขณะแต่ละขณะใช่ทั้งนั้นเลยแหะ สินรมส่วนละเอียดที่เป็นแก่นมันเป็นเรื่องที่อยู่ลึกเกินไปกว่าแม้แต่คนที่ทจะตั้งใจรักษาสินก็มีสนใจอยู่แล้วที่จะเข้าใจเรื่องเหล่านั้นจะเข้าใจยากมากเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงต้องตกค้างอยู่ในโลกไม่มีหมดโลกนี้ไม่มีว่างเปล่าจากสัตว์ อย่างมนุษย์จากสัตว์พวกโอกาสที่จิตจะละเอียดเข้าถึงธรรมที่จะศึกษาแล้วมาปลดมาปล่อยมาวางให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติคนเข้าถึงยากเข้าใจยากเรียนรู้ยากเข้าใจยากไม่มีความพอใจไม่มีความเลื่อมใสไม่มีความศรัทธาไม่มีความเชื่อ ไม่มีผลที่จะพึงเกิดขึ้นในหัวใจเพราะไม่ได้ตั้งออกตั้งใจทํานี่เมื่อความเชื่อคือศรัท ธ, ธาไม่เกิดโอกาสที่จะามากํากับดูแลประพฤติปฏิบัติตามศรัท ธ, ธาวิริยะเมื่อไม่มีศรัท ธ, ธาวิริยะกําหนดจะามากํานดจดจอมก็ไม่มีสตุติสตังที่จะมาจอก็ไม่มีโอกาสที่จะสงบที่จะให้เกิดปัญญามันก็ไม่มี ไม่มีศรัทธาอย่างเดียวถ้ามีศรัทธาแกกล้าวิริยะมันกม็มีที่ท่านจิงเรียกว่าศรัทธาพระวิริยะพระมันเป็นกำลังอย่างหนึ่งสติพระสมาธิพระปัญญาพระพระแปลว่ากำลัง <c oughs> ถ้าเราทิ้งสิ่งเหล่านี้แล้วมันไม่มีไม่มีอะไรที่จะมาเสริมกำลังศรัทธาพระศรัทธาสัตถินสีสัตธินสีศรัทธาเป็นใหญ่เมื่อศรัทธาเป็นใหญ่และศรัทธาก็นำไปทำให้เราขยันวิริยะเป็นวิริยินสี มีมีความภาคเพียนเป็นใหญ่จากนั้นแล้วก็มีสตินสีมีสติเป็นใหญ่มีสมาธินสีสติจดจอ่อสมาธิก็พร้อมที่จะเกิดจะมีปัญญาปัญญินสีก็พร้อมจะเกิดจะมีสติเป็นใหญ่สมาธิเป็นใหญ่ปัญญาเป็นใหญ่ถ้าไม่มีสี่วันนี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือโอกาสที่จะเข้าถึงแก่นของพระาศาสนาจะยาก ไม่รูปลดไปปล่อยไปวางตรงไหนไม่มีโอกาสที่จะรู้จะเข้าใจเลยที่ธรรมัญญาถึงธรรมส่วนละเอยียดเข้าถึงไม่ได้เข้าใจไม่ได้เข้าใจยากมากเรามาคิดดูผู้ที่ศึกษาทั้งออกตั้งใจศึกษาฝึกฝนอบรมรู้เรียนรู้ฝึกฝนอบรมเข้าใจเข้าใจธรรมะเข้าถึงธรรมะ มีธรรมะมีศีลมีธรรม ม, รร ม, มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เหมือนกันคนที่จะเข้าถึงหลักเหล่านี้แต่ต้องคนที่เห็นโทษแล้วที่จะสนใจขวนขวายศึกษาฝึกฝนอบรมถ้ายังไม่เห็นโทษก็เพลินไปกับโลกโลกนี้ยังรื่นน่ารื่นเรองหน้าเพลิดเพลินน่าบันเทิงใจ อนนกับเริญหูเจริญตาอันนี้กัเจริญหูเจริญต า, นนญญตายิ่งไม่เคยย้อนมาดูตัวเองด้วยแล้วเนี่ยความพองตัวแน่นไปหมดเวลาไปเปิดออกไม่มีอะไรแฟงมีตลงตัวความสุขที่แท้จริงที่เป็นแก่นของความสุขที่แท้จริงไม่มีแก่นของศีลแก่นของสมาธิแก่นของปัญญา มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะน้นให้เกิดความสุขอย่างบริสุทธิ์ไม่มีมีแต่ความสุขจอมปลอมมีแต่ความสุขที่เป็นความทุกข์นั่นแหละที่เราเรียกว่าทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนาก็คือทุกข์นั่นแหละสุ ข, ขเวทนาก็คือทุกข์ทุกขเวทนาก็คือทุกข์สุขเวทนาก็คือทุกข์ เดี๋ยวก็ดาวก็เปลี่ยนไปแล้วมีความสุ ข, ขเข้าไปนาชื่อนออกชื่นใจนิดหน่อยก็เปลี่ยนไปทุกข์ละเไอผู้ผู้ที่พาผลักดันเปลี่ยนตัวเป็นที่เป็นตัวเหตุเนี่ยมันเปลี่ยนไม่หยุดเนื่องจากมันไม่เห็นโทษไม่เห็นโทษมันก็เลยเปลี่ยนไม่หยุดเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขมันเปลี่ยนเหตุเปลี่ยนปัจจัยอยู่นั่นแหละทึ่คราพอใจก็พอใจ ช่วงนั้นก็ถือว่ามีความสุขสักหน่อยหนึ่งก็อิ่มก็พอก็เบื่อก็เปลี่ยนไปอยู่แล้วก็เป็นความทุกข์ทุกขทุุกทุกทุกสุขสดิบดอยู่อย่างนั้นแหละความสุขอิงอามิตรความสุขอิงเรื่องราวไม่ใช่ไม่ใช่ความสุขจากความสงบราบคาบที่จะเรียกว่าสันติคือความสงบ ความสุขความสงบโดยธรรมก็คือความสุ ข, สขความสงบความสุขเกิดจากความสงบเหมือนพวกเราต้องการความสุขเราก็ต้องวิ่งหาวิ่งตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสดิน้นรนสแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส น, นี่เป็นความสุขของโรก เป็นความสุขที่ชาวโลกแสวงหาเพราะได้มาก็ยินดีชอบใจเพลินใจยึดติดผูกพันแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะมันเป็นความสุขที่ให้หยุดวิ่งหาหยุดวิ่งตามหยุดวิ่งไล่ตามเห็นไหมความสุขที่พระพุทธเจ้าท่านท่านมอบให้เราสาเหตุปัจจัยที่ท่านให้เราแสวงหาแสวงหาสันติแสวงหาความสงบนี่แหละ การวิ่งหาการดิ้นรนแสวงหามันไม่ใช่เหตุที่จะทําให้เราสงบระงรับดิ้นรนดิ้นไปนั้นก็เจอนั้นดิ้นไปนี้ก็เจออันนี้ดิ้นไปนั้นก็เจ อ, ด ไ, เจอได้อยู่แต่ก็ได้มาแล้วก็เสียไปบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีก็สมหวังบางทีก็ผิดหวังได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็เสียไปเนี่ยความสุขที่พระบิดาเจ้าท่านป้อนให้เรานะ่ยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งตามโรค ไม่ต้องไปแสวงหารูปไม่ต้องไปแสวงหาเสียงไม่ไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากจากรูปรูปดีเสียงดีปรินปตพระรวไปถึง ธ, ธรรมารมณ์ให้หยุดเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านจริงให้เราเจริญสมาธิให้หยุดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้มันหยุดเฉยเฉยมันหยุดไม่ได้ดอกเราต้องมีวิธีการในะอย่างมันพุทโธพุทโธพุทโธ พุทโธในใจไม่อยู่พุทโธมุกมุกมิบที่ปากก่อนก็ได้เพื่อมันเป็นการปลุกเนื้อปลุกตัวให้ตื่นขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธออกเสียงก็ลองดูนะมันดื้อได้มันยากเหลือเกินนะออกเสียงลองดูมุกมิบมุกมิบมุกมิบพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธลองตั้งใจว่าเอาสิ่งเหล่านี้มาช่วยปลุกเราอีกทีหนึ่ง มันละเอียดลึกเข้าไปก็พยายามใช้จิตพุทโธใช้จิตบริกรรมใช้จิตดําริพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่ละครั้งมันยับยับยับยับมันปลุกปลุกความรู้สึกของจิตเมื่อจิตเราตื่นนั่นแหละนั่นแหละคือจิตมีสติจิตมีสติก็คือจิตตื่นตอนที่จิตมันตื่นนะจิตมันจะโรู้มันชัด ชัดเจนชัดถ้อยชัดคํานี่ความสุขที่บริสุทธิ์พุทธิยถาท่านให้หายอย่างเงี้ท่านไม่ให้ไปวิ่งตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามร้อตามสัมผัสท่านให้หยุดไม่ต้องไปวิ่งตามมันจะถึงความสงบจะถึงความสุขจะถึงสันติอย่างสงบราบคาบ น, นี่พุทธิยถาท่านสอนอีกธรรมะสอนนะ แต่ถ้าเป็นกิเลสสอนคืออะไรให้วิ่งตามกิเลสสอนนะั้นน่ะตัณหามสอนฟังแต่ว่าตัณหาดูไปที่ไหนเจอดูไปที่ใจของเราเนะ่ยเจอความทะเยอทะยานของใจดูสิดูสัพบขับแปลให้ความทะเยอทะยานหมายถึงอะไรทะเยอทะยานดิ้นรนทะเยอทะยานฟุง้งเฟ้อเห่อขนองหลับละเมือเพ้อพกไปตามสิ่งเหล่านั้น ตัณหาความดิ้นรนความทะเยอทยานของใจดูไปที่ไหนไม่รู้ดูมาที่ใจของตัวเองจะรู้ดูมาที่ใจของตัวเองรู้ใจเราอย่างไรใจเขาก็อย่างนั้นดินนงงด้นรนอย่างไรก็ดิ้นรนอย่างนั้นเขาดิ้นรนอย่างไรเราก็ดิ้นรนอย่างนั้นแต่ผู้ที่ไม่เหมือนกันก็คือผู้ตั้ ง, งใจสงบระงรับสิ่งที่มันพาดิ้นรน ผู้นี้ไม่เหมือนเขาไม่เหมือนเราแน่เขาดิ้นรนแต่เขาไม่เหมือนเราแน่เราไม่ดิ้นรนเขามีความสุขด้วยสุข เ, ขเวีนาแต่เรามีความสุขที่บริสุทธิ์เพราะความไม่ดิ้นรนเนี่ยแค่จิตมันไม่วิ่งตามอารมณ์แค่นั้นมันมีความสุขแค่นี้จิตไม่วิ่งตามอารมณ์จิตได้รับความสงบ ถ้าหากมันสงบราบคาดวยปัญญากิเลสสงบด้วยแล้วจะมีความสุขเท่าไหร่กิเลสตัณหามันสงบระงับไปจากหัวใจหมดมันหมดไปจากหัวใจด้วยแล้วมันไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีข้อมูลไม่ต้องมีต้นตอเหมือนกับถูกถอนรากถอนโคนถอนหัวมันออกหมดแล้วไม่มีสิ่งเหล่านี้คอยจะโผล่ขึ้นมา ให้หนาวให้ร้อนให้หิวให้กระหายให้ดิ้นรนทะยอทยานไปตามมันมันจะมีความสุขสักเท่าไหร่ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับเราคันเก่าแย่ ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆไอ้กิริยาที่มันไปตอบโต้กันล่ะก็เลยทำให้ไอ้ที่คันๆมันหายคันแค่นั้นก็ถือว่ามีความสุขล้ะ เกาเก า, เ, ก า, เ, ก า, เ, กาเออถือว่าฟอมีความสุขละแท้ที่จริงมันก็ยังมันก็ยังไม่หายแค่ไปเกาเพอให้เกิดกิยาการตอบโต้กันเท่านั้นเองแต่ถ้าเราใส่ยาให้ขาดให้หายขาดเนี้ยให้ความคันหายขาดไม่ต้องเกาเลยเลยมีความสุขมากกว่ากันเท่าไหร่กิเลสมันกวนใจเราก็เหมือนกับเราขัน เราภาวนาให้ใจสงบเหมือนกับเราเก่าเหมือนกับเราเก่าเก่าให้ตัณหาเหล่านั้นสงบเมื่อกับเราเก่าตัณหาเหล่านั้นให้สงบแต่มันยังมีเชื้ออยู่ในนั้นอีกเออต่อเมื่อท่านเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันเห็นสมุทยัยต้นต่อที่จะเป็นเหตุให้เกิดสิ่งเหล่านั้นได้ แล้วเอาออกได้ก็เหมือนกับสา ย, ยาความผืนความคันความอะไรอะไรเหล่านั้นหายหมดไม่ต้องเก่าที่ตันเทียบความสุขเกิดจากสมาธิความสุขเกิดจากปัญญาถอนรากถอนโคนของสมุทยัยนี่มันมันเราดูเราพิจารณาดูแล้วก็เหมือนกับเหลือบากรวาแรงเหลือวิสัยแต่มันมีช่องทางที่จะเป็นไปได้ เขาเริ่มพยายามอีู่แล้วทานศินสมาธิปัญญาเจอรอยไปตามนี้กิเลียนในหัวใจก็ศึกษารู้ให้ก็เห็นให้เขาเ้ใเขาใจมันบ้างให้เห็นเหตุเห็ น, หนผลในใจของเราเองเหตุการณ์ภายในภายนอกก็ให้มันได้ประสบพบเห็นด้วยใจของเราเราจึงจะมั่นใจว่าเอออันนี้เป็นเหตุ อันนี้เป็นผลเอออันนี้เป็นผลเอออันนี้เป็นเหตุเหตุอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดผลอันนี้ทุกอย่างลำบากอันนี้ตามมาหน้าเข็ดหน้าลาบล้วก็ลดล้วก็ละแล้วก็เลกเิกเหตุเหล่านั้นเหตุที่ไม่มีประโยชน์กบนีดิ้นรนทยอยทยานไปตามมันไม่มีประโยชน์เลยดอกปล่อยทุกอยางลาบากก็ตามมันเฉยๆไม่ปล่อยจะไ ด, ด้รับความสุข อะไรจากมันดอกแต่มันก็ชวนชวนเพลินอยู่ในนั้นแหละดึงเราไปจนได้ดูที่ความทยานวความดิ้นรนของจิตความทะยอทยานความดิ้นรนของจิตมันก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นพวกเราอยู่ท่ามกลางวิชาการที่พุทธิยาทรนสอนเอาไว้ให้ความสำคัญ พิจารณาให้เห็นโทษเห็นภัยให้มีประสบการณ์ภายในใจของเราเองเราจะได้เห็น <c oughs> เห็น <c oughs> โทษอย่างแท้จริงมันถึงจะมีกรจิกกระายที่จะเดินตามทันได้ไม่งั้นไม่มีกรจิกกระใจที่จะเดินตามท่านบอกให้ยุดยุดยุดยุดมันหยุดไม่ได้มันวิ่งตามมันวิ่งตามนีน่วิ่งตามเรื่องราวสารพัดวิ่งเกี่ยวกับอะไรก็เจอปัญหานั้นวิ่งเกี่ยวกับอะไรก็เจอปัญหานั้น ท่านจงให้หยุดในฉลาดไหมเราดทูที่วิธีการเราแล้วนะชาญฉลาดไหมไม่ต้องไม่ต้องวิ่งไม่ต้องตามหยุดหยุดแล้วจะประสบความสุขเองความสงบนั่นแหละเป็นเหตุให้ให้มีความสุขเอาสติเป็นตัวมายับยั้งให้หยุดไม่ใช่บอกให้หยุดก็อยุ่เฉยๆนะ กนูที่เราต้องมาปลุกปล้มกันเท่าไหร่ความจะอยู่ความจะสงบความจะสงบระงับความหลงมันคอยสวมรอยมาทุกรายการบางทีเราก็คิดว่าเราสงบนั่นแหละเราคิดว่าเราภาวนานั่นแหละเราคิดว่าเราทำนั่นแหละมันสวมรอยมาไม่รู้ไม่รู้จักไม่รู้สึก ทำลายความหลงอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยใกล้ชิดเพื่อเกิดปัญญาก็คือพิจารณาให้เห็นความจริงด้วยเหตุด้วยผลเพราะเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุก็ผลอันนี้มาจากเหตุอันนี้เหตุอันนี้จะเป็นผลให้เกิดอันนั้นอันนั้นนนั้นี่คือปัญญาอันนั้นก็รู้อันนี้ก็รู้รู้เหตุปัจจัยอันนั้นก็รู้เหตุปัจจัยอันนี้ก็รู้เหตุปัจจัย เป็นไปเพื่อนั้นเพื่อนั้นเพื่อนั้นมันก็เป็นปัญญาคือคือรู้รู้เหตุขออมันอย่างชัดเจนถ้าไม่มีปัญญาก็สุมเดานะสุมเดาคือไม่เห็นไม่เห็นเหตุเ ห, เห็นปัจจัยความความดีความสุขอยากได้อยู่ความดีอยากได้อยู่แต่เวลาทำไม่ค่อยคำหนึ่ง ทำเหตุเพื่อความดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหตุเหล่านั้นที่ทําเพื่อความทุกข์หรือเปล่าก็ไม่รู้อวิชชามันปิดบังอะมันปิดบังหัวใจของเราเราทําใจให้สงบมันเป็นมันก็เป็นการอบรมจิตของเรานะปัญญาพื้นๆมันเริ่มมีในหัวใจของเรา เราไม่ต้องไปคิดอะไรวุ่นวายให้มากทำํำจิตให้ได้รับความสงบมีสติมีสัมผัมัญญะอยู่กับเมื่อกับตัวทุกระยะ <c oughs> ปัญญาพื้นๆมันเริ่มเกิดขึ้นมีขึ้นในใจของเราสัจธรรมหยาบๆมันจะเริ่มแสดงตัวให้ปรากฏเราจะค่อยรู้เงินของมันแล้วจะร่มเริ่มรู้เหตุรู้ผลของมันแล้ว พยายามวิธีการนี้จะเปลี่ยนวิธีการที่พระเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยาสาวกถ้าสมัครเดินทะลุทะลวงไปได้เห็นตัณหาหนุสัยถอนรากถอนโคนตัณหาหนุสัยในหัวใจได้ความยากนั่นแหละกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากันดูที่อะไรไปที่กามาตัณหาภาวะตัณหา ตัวมันแท้ๆคือมันตัวที่มันดิดดิ้นอยู่ในหัวใจนะดูไปที่ใจจะเห็นไม่เคยย้อนมาดูนะมันแสดงบทบาทพลิกแพลงฤทิิเดชอยู่เนี่ยโดดโลดเต้นอยู่นี่เนะ่ยหัวเราะร่าอย่างนั้นเราก็ดิ้นรนกระเสือกกระสนตามมันไม่จบไม่รู้จกจบไม่มีที่จบไม่มีจุดจบทุกข์ลุกเกินทุกข์ละเกินทุกข์ละเกินแต่ก็สร้างเหตุเพื่อให้ทุกอยู่ไม่ปล่อยไม่หยุด ร้อนเลืเกินร้อนเหลืเกินร้อนเหลืเกินเอาฟืนใส่อยู่เรื่อยหอมกระน้ำให้ไฟมันแรงขึ้นร้อนเลืเกินร้อนเลืเกินร้อนลืเกิน